ขออนุญาตครับขอญาตนะนะเอ่อขนาดที่จะเป็นใครขึ้นตามเนี่ยที่ผมสังเกตดูเนาะตอนนี้เราเหมือนกับว่าโดนความรู้ปลอมด้วยโดนมายาหลอกด้วยคือสังขารมันหลอกไปทั้งนั้นเลยอะ่ะทั้งๆมันไม่มีอะไรหลอกที่ตอนนี้แน่คือว่าตอนนี้เห็นแล้วว่ามันรู้ทันผ <c> ม <oughs> ข, ขอบคุณครับก็ขอบคุณทุกท่านเนาะก็ว่าความรู้เราจะไม่พูดแต่สิ่งที่ที่เข้าใจคือตอนนี้สภาวธรรมมันเกิดละ เราจะเผอและเพลินไปขอบคุณครับผมมีความเห็นอย่นี้ครับมโนธนาทุกท่านครับผมก็ผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมครับเราเป็นประเด็นพอดีก็นั่งฟังขับเฮ า, านานผมว่าประเด็นจริงๆน่าจะเข้าใจคุณเลนก็น่าจะเข้าใจะครับหลวงพ่อก็พูดถูกนะครับแต่ประเด็นตรงที่คุณเลนเขาถามก็คือว่าเ อ, อจริงๆสัพพสิกล ม, มีขันห้าใช่ไหม ทีนี้พอหลวงพ่อท่านพูดเรื่องตัวรู้ซึ่งเหมือนมันนอกเหนือเช่นตัวอาภิชัยอย่างนี้จริงๆการรู้ตัวเนี่ยการรู้ตัวนี้มันก็คือตัวสังขารนั่นแหละใช่ไหมครับกิเลส ก, ก็คือสังขารนั่นแหละคือมันไม่นอกเหนือไปจากนั้นไงทีนี้เราทํำยังไงก็ต้องอาศัยอาศัยสังขารนั่นแหละที่มันเป็นกุศลโดยการพัฒนาให้เห็นอาการเกิดดับตามวิปาาัสสนาญาณใช่ไหมครับเห็นเกิดดับ ก็คือเป็นเรื่องปรมัต่ธรรมนั่นเองทีนี้คุณเลนก็ตั้งคําถามเรื่องนี้ผมว่าก็ถูกประเด็นหนึ่งที่นี้เวลาพระคุณเจ้าใช้ภาษานะครับใช้ภาษาเช่นตัวเราเรารู้เรารู้เนี่ยมันก็เหมือนกับเราเป็นอีกตัวหนึง่งแต่จริงตัวรู้เนี่ยมันก็คือปัญญิสีสีปัญญิีสีก็คือคุโสลจิตซึ่งเป็นสังขารตัวหนึง่งใช่ไหมครับมีโลภะโทสะโมหะทีนี้ถ้าเรารู้ทันมันก็จะเป็นอโลภะอโทรสะโมหะ มันไม่มีตัวตนนอกเหนือไปจากนั้นนนี้วิธีกาหนดจิตหรือพัฒนาเนี่ยเราก็เพียงแต่เพิ่มองค์ความรู้ของจิตที่เป็นกุศลนะยางตามรู้แล้วก็รู้เท่าทันพอรู้เท่าทันจริงๆเนี่ยมันก็จะไปตามลําดับของวิปัสสนาคือเห็นเกิดดับเรื่อยๆจนกระทั่งบรรลุถึงโสดาปันติมรึกถึงจะทําลายกิเลสได้นะครับถ้าเราไปคิดหวังว่าเอาความรู้หรือพูดมันก็ได้ข่มไว้แต่ว่าถ้าจะรู้จริงจะต้อง ถึงอริยมรรคผมคิดว่าประเด็นมันน่าจะเป็นตรงนี้นะครับขออนุญาตครับประเด็นมันอยู่อย่างนี้ครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าความรู้ทางโลกนี้ครับที่เราเรียนกันมาทั้งหมดนั้นครับใครรู้ก็ถ้าได้ฟังหนวงพ่อหลายครั้งนั้นก็เป็นเรารู้อะครับปฏิเสธไม่ได้ไม่จะยืนพูดตีลังกาพูดนอนพูดก็เป็นเรารู้ทั้งหมดดังนั้นความรู้ที่เรารู้ทั้งหมดยังเป็นความรู้ที่เป็นสังขารธรรมคือสภาพธรรมะที่ปรุงแต่ง ซึ่งสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งพูดยังไงก็วนอยู่อย่างนี้ครับอยู่ในขันห้ารู้เวทนาสัญญาสัางขารวิญญาณแม้แต่ตัวจิตเองซึ่งเป็นหนึ่งในขันห้าคือวิญญาณขันนั้นก็ยังอยู่ในวงเวียนนี้แหละครับสังสารวัฏเนี่ยสังสาระคือท่องเที่ยววัฏ ต, ตะคือวนเวียนวนเวียนอย่างนี้แหละแต่สิ่งที่หลวงพ่อมาพูดเนี้ตราบใดก็ตามที่ขันห้านี้ครับโดยเฉพาะสังขารขันเนี่ยไม่ถูกรู้โดยเฉพาะสภาพความเป็นเราที่ยึดติดอย่างนี้ครับ ไม่ไม่มารู้ไม่มารู้อะไรก็หมายความว่าอความเป็นเราไม่ถูกรู้เนี่ยไม่มีทางที่จะพ้นเราได้พอพ้นได้ยังไงก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ครับวตัตตะสังสารวัตรวนเวียนอย่างนี้ยแต่มีครูบาอาจารย์สักกี่ท่านหลักครับที่เนี้พูดบอกว่าเออเมื่อเห็นเราจนแจ่มแจ้งคือเราถูกรู้นี่ผมมาเก็ตคํานี้ครับผมก็ศึกษาพิธรรมานานและมันไม่เก็ตตรงนี้มันว่า คือการศึกษาพิธ ร, รมนั้นเขาจะปฏิเสธความเป็นเราเลยเขาบอกว่าไม่มีเราในขันห้าตรงนี้นั่นเขาก็พูดถูกแต่เป็นการพูดถูกที่พูดกับภริยะเจ้าที่เขาบรรลุแล้วแต่ตอนนี้เราเป็นปุตตุชนที่ยังมีความเป็นเราเต็มไปหมดในขันห้าดังนั้นเนี่ยครับถ้าเราพูดกันอย่างนี้ครับเราก็พูดในสภาวะที่ท่องเที่ยววนเวียนไปในสังสารวัตรนี่ครับสังขารธรรมนี่ยสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งแต่ว่าไม่ว่าจะพูดเรื่องของปัญญาก็ดีจิตก็ดีเจรสิท ก, ก็ดีรูปก็ดี แต่ไม่ได้พูดถึงสภาว่าธาตุรู้อันเป็นนิพพานอมาตะธรรมอมตะธาตาาธุหรือธรรมชาติรู้หรือจิตเดิมแท้เหลืออะไรก็ได้พูดพูดได้หมดเลยครับแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยใครพูดก็เป็นผมพูดอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นสังขารขันที่ที่ปรุงไปที่เป็นพูดไปไม่ใช่พระอาหารหันต์พูดไม่ได้ไม่ใช่พระหันไม่เจ็บไม่ใช่พระโสดาบันไม่เจ็บแต่ไม่ใช่พระอาหารหันต์ไม่เผลอไม่ใช่พระโสดาบันไม่เผลอแต่ว่าการเผลอนั้นเป็นสังขารขันที่เผลอ ดังนั้นก็ก็ไม่ไม่มีใครจะมาบอกได้หรอกครับว่าใครเป็นใครอะไรยังไงแต่ว่ารู้ตอนนี้ว่าสภาพที่เป็นตัวเรานี้เป็นสังขละขันดังนั้นถ้าจะศึกษาพระธรรมะก็จะเห็นว่าหนึ่งทำไมต้องละสักยะทิฏฐิก่อนล่ะเพราะมันมีความเป็นเราร้อยเปอร์เซ็นตมันไม่มีสามารถที่จะค้นความเป็นเราได้เลยตราบใดที่ยังไม่รู้จักเรามันก็พ้นเราไม่ได้แต่แตก่อนหน้านี้สีห้าปีก่อนนะผมนั้นปฏิเสธหนีความเป็นเราเพราะมองว่าขันห้ามันไม่มีเราอยู่แล้ว แต่ถ้าพูดตอนนั้นนั้นครับเราก็พูดเหมือนกับว่าคนที่เดินไปเส้นชัยแล้วแหละครับไม่มีเราอยู่แล้วแต่ตอนนี้ผมยังเริ่มจุดสตาร์ทเลยมีเราเต็มร้อยดังนั้นขอแสดงความคิดเห็นเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับครับเออพี่พี่จอมบอกไอ้ควาว่าคิดว่ามีเรานี่มันคือสังขารใช่ไหมครับครับผมคือความคิดอเราต้องพิจารณาเห็นธรรมานุปัสสนาใช่ไหมรู้จิตรู้ธรรมใช่ไหมทีนี้การรู้จิตรู้ธรรมมันไม่ใช่เห็นเรานะครับ คือเห็นเกิดดับเห็นอย่างที่พระคุณเจ้าท่านพระอาจารย์พลอยบอกก็คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมการเห็นตัวนี้มันเป็นประสบการณ์ปรมัดกันคือเราไม่ได้ไม่ขออนุญาตคขออนุญาตเช็คตรงนี้ก่อนครับพี่น้องพูดมาทั้งหมดนี้ใครเห็นครับตอนนี้เลยก็คือก็คือตัวจิตรู้ครับจิตที่มันรู้เอ่อเป็นปัญญิีสีเพราะปัญญีตอนตอนตอนตอนนี้พี่เข้าใจน้องที่พูดว่าปัญญินีสีอะไรพี่พูดได้หมดเลยตามที่น้องพูดถามว่า ใครมารู้ปัญญินีถ้าเราคิดว่าเป็นตัวลองเนี่ยมันก็เป็นการคิดไงเราก็ต้องรู้จากสภาว่าทำที่ท่านพระคุณเจ้าบอกวรนักขณะปัจจุบันใช่ไหมเราจะต้องรู้ทีนี้การทําลายสากยติฐิมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทําลายเลยนะท่านอาจารย์จนกระทั่งจิตเข้าสู่สวดาปฏิมากนะมันถึงจะทําลายได้มันเป็นทางเดียวเลยส่วนศีลสมาธิมันข่มไม่ใช่ใช่ คือประเด็นผมว่าชาวพุทธสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องเร่งให้ถึงโซดาบันอ่ะอธิบายสภาวธรรมะไปอย่างนี้ได้แต่ว่าจะ ต, ต้องเห็นการเกิดดับรู้ประมัต่ธรรมใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าเราคิดอยากจะรู้หรือว่าเป็นตัวตนที่รู้หรือเป็นอย่างอื่นเนี่ยเราก็จะวนอยู่ในสมมุติอะไรประมาณนี้ครับผมผมคิดว่าน่าจะไปทำนองนี้ ไม่ทราบน้องเคยได้ยินไหมว่าสักยะทิฏฐิคือความเห็นผิดว่าร่างกายเป็นเราแล้วก็ตัวเราเป็นตัวเราร้อยเปอรเซนต์เลยตรงเนี้ทําไมเขาไม่เอามาเป็นอันดับในการละอันดับท้ายๆล่ะเขารักสักยะทิฏฐิอันดับต้นเลยอะครับเพราะว่าสักยะทิฏฐิเป็นประตูด่านแรกเลยครับในการก้าวสู่ความเป็นภารยาแล้วแล้วการที่จะละสักยะทิฏฐิได้ต้องถึงสวดาปฏิมาศนะครับ ทีนี้โซดาปฏิบัติมีวิธีเดียวก็คือการเห็นอนิจจังใช่ไหม ก, ลลกําหนดรูน้ำรูปผ่านบริยาปริขาหายานใช่ไหมเห็นไตรักแล้วก็เข้าสู่ยานต่างๆจนกระทั่ทงเบื่อเบื่อหน่ายครายกำหนัดพิจารณาปล่อยวางแล้วเข้าสู่โซดาปฏิัติมักบอกว่าถ้าเราไปดูเทคคเก่าๆเนี่ยผู้ได้เจ้าจะเน้นตรงนี้เลยจะเด้นว่าทํำยังไงถึงจะสอนหรือแนะนําหรืออะไรให้เข้าถึงตรงน้นคือจะไม่ให้เครียดกับเรื่องคนนี้หลงนะฉันมีสักยทติถิอะไรเงี้ยเพราะเรารู้ไปแล้วมันก็ทําลายไม่ได้ มันทำลายมันไม่ได้เลยกิเลสเนี่ยจนกว่าจะถึงโซดาปฏิมาถึงจะได้สักยติทิฏเป็นอย่างนี้ไหมปัญหาอย่างหนึ่งที่น้องลืมถามไปว่าที่มันละกันไม่ได้เนี่ยเพราะมันเป็นการที่เราไปละเราอยากรู้เพื่อจะละและเราหาวิธีการที่จะละซึ่งซึ่งถ้าพี่เปรียบเทียบเหมือนพี่ไปสอนคณิตศาสตร์นะครับเด็กก็อยากรู้วิชาคณิตศาสตร์เด็กอยากรู้วิชาคณิตเด็กอยาก ร, ารู้ภาษาภาษาไทยสังคมวิชาสารพัดร้อยแปดสาขาวิชา ขั้นแรกนั้นพระพุทธเจ้าไปเรียนร้อยแปดร้อยแปดสาขาวิชานั้นเป็นเราอยากรู้ในในวิชาต่างๆก็ยังไม่พบความจริงหรอกครับถ้าเป็นเราอยากรู้ทวิชาต่างๆนั้นมันเป็นสนองกิเลสตัณหาความเว็นเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามคนละตอนกับตอนแต่รู้ดังนั้นผมว่าคนส่วนใหญ่ที่จะไปเรียนเป็นเป็นแบบความอยากรู้เราอยากรู้เราอยากเรียนนั้นมันผิดหมดครับแต่เมื่อเราถูกรู้เมื่อไหร่ตรงนี้ครับน่าสนใจคําของ ที่อาจารย์พูดว่าเราถูกรู้มีบ้างไหมครับขณะนี้คํําคาว่าเราถูกรู้นี่คือรู้ยังไงครับผมผมก็ไม่เข้าใจตรงนี้นะครับให้ไล์ที่สุดเลยครับอยากให้ท่านอาจารย์หลวงพ่อออสได้เมตตาว่าเราถูกรู้มันต่างจากเรารู้หรือว่าเราเรียนรู้ยังไงครับมันนต่างจากรู้อานิจจังทุกขังอันนะตารู้รู้เกิดดับยังไงครับรู้ขันห้าเกิดดับยังไงเอ่อ เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสมมตินะแต่จริงเรื่องจริงแหละในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยพวกเราทั้งหลายยมลองฟังตามเนาะพวกเราทั้งหลายเนี่ยเมื่อสนใจธรรมะก็ปรารถนาที่จะให้เราเนี่ยพ้นทุกข์นะให้เราเข้าถึงนิพพานเนะี่เห็นไหมเริ่มต้นจากเราเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นไปก็มีการอ่านหนังสือบ้างก็เราเป็นผู้อ่าน หรือว่าไปฟังครูบาอาจารย์บ้างเราก็เป็นผู้ไปแล้วก็มีการสนทนาพูดคุยเราก็เป็นผู้พูดเป็นผู้คุยแล้วสุดท้ายเราก็มีความรู้จากการที่ได้อ่านได้ยินได้ฟังตอนนี้ยังเป็นเราอยู่นะอืมเราก็แล้วสุดท้ายเมื่อเราเรียนสูงสูงยิ่งรู้มากก็กลายเป็นว่าเรามีความรู้มากรวมถึงเราเนี่ยรู้แจ้งใน อันนี้จังทุกขังอนัตตาคือเรารู้หมดแล้วว่าโอ้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาอันเนี้ยก็ยังเป็นเรารู้แต่คราวใดที่รู้เรานี่ตรงเนี้ยสำคัญเรารู้คือเราเนี่ยแหละมีตัวตนนะได้สะสมบ่มอะไรมาก็เป็นเรารู้ตรงนี้ถ้าไม่เห็นตัวเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นมานาทิฐิเป็นอัตตา แต่ถ้าเห็นเราที่เป็นผู้รู้ก็จะรู้เลยว่าเอา้าเราเนี่ยเป็นแค่สังขารปรุงแต่งเหมือนกันเราที่เป็นผู้รู้ก็อยู่ภายใต้กฎอันนี้จังทุกขังอนัตตาเหมือนกันตรงนี้ก็จะทำให้ความเป็นตัวเราเนี่ยถูกย่อยสลายไปกลายเป็นอนัตตาทันทีแต่มันมีสภาวะรู้ที่รู้เราอันนั้นแหละเป็นสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งพ้นไปจากสังขารจึงได้แต่รู้ธรรมชาติอันนั้นแหละ เป็นธรรมชาติที่มีอยู่เดิมนะพระพุทธเจ้าจะตัดรู้หรือไม่ตัดรู้แต่ธรรมชาติที่รู้อ่ะที่สมมติเรียกว่ารู้เราอ่ะธรรมชาตินั้นแหละเป็นของเดิมแท้บางทีอาจจะเรียกคําว่าเป็นเป็นธาตรู้ก็ได้วิญญาณธาตุเป็นธาตรู้ธาตรู้ก็ชัดอยู่แล้วไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่ไหนนะเมื่อเป็นรู้จักธาตรู้แล้วธาตรู้เป็นธาตุที่ไม่ปรุงแต่งนะ ถ้าธาตุรู้ที่ไม่ประกอบด้วยอวิชชาเป็นธาตุเป็นธาตุารู้ที่ไม่ปพงแต่งธาตุรู้นี้แหละจึงเป็นวิมุตติหลุดพ้นคือพ้นไปจากสังขารเมื่อพ้นไปจากสังขารมันจะมีทุกข์ที่ไหนแต่สังขารต่างหากที่เป็นอนิจจังทุกขงังนะ่ะแต่ธาตุรู้ไม่มีลักษณะเป็นอนิจจังและก็ไม่มีลักษณะเป็นทุกขงังแต่ก็เป็นอนัตตาเหมือนกันนะทีเนี้ถ้ามีปัญญาถึงขั้นเนี้ยก็จะรู้เลยว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือพ้นทุกข์ ทุกก็คือขันห้าก็คือตัวเรานี่แหละที่ไปเรียนหนังสือไปฟังไปนวดไปนี่อันนี้คือทุกทั้งก้อนเลยแต่ธรรมชาติรู้เนี่ยที่มารู้เราเนี่ยคือมาเป็นธรรมชาติที่รู้ทุกเนี่ยอันเนี้ยเป็นธรรมชาติที่ไม่มีทุ ก, ไ ม, มทกไม่มีสุขเพราะผลจากความปรุงแต่งแล้วจึงเป็นความไม่เป็นอะไรจึงคงเป็นแต่ธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขาที่ไหนนะเมื่อเป็นอย่างเนี้ยการจบ ก็คือว่าเรียนรู้เรื่องทุกข์แล้วก็พ้นทุกข์เนี่ยมันจะจบด้วยปัญญาตรงเนี้ยคือเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกข์มีอยู่แล้วก็ความไม่ทุกข์คือนิโรธก็มีอยู่ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะถ้าไม่เข้าใจตรงนี้นะก็จะติดอยู่ตรงที่ว่าเราเข้าใจหมดแล้วเราเข้าใจหมดแล้วแต่ไอความเป็นเข้าว่าเราเข้าใจนั่นแหละนี่คือเป็นอวิชชาเป็นความหลงทําไมจึงเรียกว่าอาวิชชาความหลงเพราะไม่รู้ไม่เห็นว่าไอตรงเนี้ยมันยังมีตัวตนมีอัตตาอยู่ แต่ถ้าเราใดมีสติปัญญาเห็นตัวเรารู้ตัวเราตรงเนี้ยมันก็จะพ้นจากตัวเราหลวงพ่อพูดแค่เนี้ยน่าจะพอจะเข้าใจได้อ่าก็จะยกตัวอย่างสภาวะหนึ่งนะเอาเ่องเซนมาเข้าใจกันจะเข้าใจได้ง่ายๆนะอ่าคือธรรมชาติน่ะจิตมันพูดไม่ได้ที่ใดมีจิตที่นั่นมีอารมณ์ก็ต้องมีเหตุปัจจัยปฏิสมุ่บัดแน่นอนเยที่ใดมีที่นั่นมีอารมณ์มเ น, น, น, นะนี่ย แตนี้ผู้ที่มีสติให้เห็นว่าจิตส่วนหนึ่งอารมณ์ก็ส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสภาวะจิตหรือสภาวะอารมณ์เนี่ยไม่มีสภาวะเกิดดับตลอดเวลานะจากสิ่งที่มีคุณค่าถ้าเป็นผู้ทุชนก็ย่อมจะไปจับสิ่งที่ถูกรู้เป็นอารมณ์แต่ถ้าผู้ที่เห็นตามความเป็นจรงิงมีปัญญาก็จะให้เห็นจิตเนี่ยถ้าเราเห็นสิ่งที่ถูกรู้มันก็เยืดเยื่อเนี่ย แต่ผูดด้ใาได้เห็นจิตเนี่ยมันจะไม่แยกเยอะมันฉับพันจิตมันอยู่ปัจจุบันขณะขณะทุกคําที่ได้ยินเสียงพระจานทร์เดี็กก็ดับเกิดแล้วก็ดับใหม่เสมอคือปรุงแตง่งแล้วก็ดับปรุงแตง่งเกิดที่ไรดับเมื่อใดมีเกิดที่นั่น ม, มีดับเมื่อใดมีเกิดที่นั่น ม, มีดับเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปอยู่ทุกขณะจิตเห็นไหมมันไม่ใช่ทุกขณะที่อารมณ์นะอารมณ์กับจิตมันแยกออกจากกันเน้นนก็เหมือนอุปมาอุปไมยจิตมันพูดไม่ได้ จิตไม่โกรธจิตไม่โลภจิตไม่หลงพิธีทางจิตเป็นแค่ไปรับรู้สิ่งที่ถูกรู้แค่นั้นเองตอนนี้เมื่อใดบุคคลคนนั้นเป็นผู้หลงแล้วเนี่ยหลงแล้วหลงกับสิ่งที่ถูกรู้คือเป็นผู้ที่หลงลืมสติมันที่คือความเพลิดเพลินเธอเพลินกับสิ่งที่เธอได้ฟังแล้วเธอก็เอาจิตถ้าไม่มีจิตเธอก็ฟังไม่ได้ก็เหมือนคนนอนหลับนะ่ะนอนหลับไปแล้วพอวางกับจิตเขา เขาด่าแล้วก็ชมเราก็ไม่รู้เพลงเพราะหรือไม่เพราะก็ไม่รู้เรื่องเข้าไปในภาวนะจิตแล้วมันจะรู้เรื่องก็ต่อนมื่เธอตื่นอนตตนะทําทเต็มบริบูรณ์เลยเนี่ยพอได้ยินเสียงเนี่ยถ้าได้ยินเสียงเนี่ยเสียงก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่ถูกรู้ส่วนหูหูเนี่ยวเวลาได้ยินสิ่งที่พอใจหรือไม่พอใจถามว่าความพอใจหรือไม่พอใจเนี่ย หูมันไม่ได้โกรธหูมันไม่ได้พอใจนะอะไรเนาะมันไม่พอใจอ่ะสุขใจทุกข์ใจเนะี่ยใจของเราเนี่ยเนหะ็นไหมฮะจิตมันเป็นเพียงแค่ไปรู้สิ่งที่ถูกรู้พอหลงดึงสติเพลิดเพลินกับเสียงมันก็เอาสิ่งที่เป็นเสียงเนะี่ยมาวางมาประคอบงาําจิตอีกทีหนึง่งเพราะอะไรเพราะจิตมันหลงไปกับเสียงแล้วจิตดวงนั้นจึงไม่อิสระนะทั้งที่จิตมันไม่โกรธนะแต่เราเอามีคําว่าอุปทานเป็น อวิชาสังขารวิญญาณตัดติดตวัวอวิชาสังขารวิญญาณเพราะมันมีไม่รู้จึงเกิดการปรุงแต่งในเสียงเพราะมันไม่รู้จึงเกิดการสเสวยอารมณ์เห็นไ้มเสวยอารมณ์กาลิงกาหารมีเหตุปัจจัยนี่เป็นเหตุปัจจัยของการเกิดนะพระเจ้าบอกเธอจงเป็นผู้เพียนคําว่าเพียนมาแยกเพียนเพื่อเพื่อมีเราเพียนเพื่อจะยึดไม่ใช่นะครับ คนต้องเพียนเพื่อจะไม่มีเราไปเป็นกับสิ่งที่เราได้ยินมันต้องมีความเพียนที่จะไม่ไปติดแต่อะไรกับมันพวกมันเนี้ยอ่ะก็คงเข้าใจนักที่อธิบายน่ะอ่ะครับจิตจิตนี้ขอเรียนถามพระครูจิตนี้ก็คือเป็นนามใช่ไหมครับคือพอฟังแล้วรู้สึกว่าจิตมันเหมือนเป็นตัวเราที่คอยดูแล้วพระคุณเจ้าก็มองว่าอารมณ์ที่ถูกจิตรู้เนี่ยเกิดดับแต่จิตไม่เกิดดับอย่างนั้นหรือเปล่า คือคือหมายความว่าจิตมีลักษณะที่เป็นเหมือนบรนตัวเราอะไรเงั้ยไหมครับแต่แต่ถ้าว่าตามวิปัสาราและรูปนามเนี่ยมันมันเกิดดับอารมณ์ไม่สามารถจะแยกจากจิตได้นะครับคือจิตกับเจตสิกเนี่ยตันรับรู้อารมณ์เนี่ยมันมันก็จะเกิดดับพร้อมกันคือหมายความว่าถ้าองค์มีบัสฉนาจริงก็ต้องรู้ทั้งนามและรูปเกิดดับมันจึงมันมันจึงไม่ต้องตั้งคําถามว่ามัน พอรู้เห็นแจ้งจริงแล้วรู้แจ้งแล้วจะต้องมีท่าดีท่าหนึ่งที่ยังคงอยู่อย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นการสร้างภาษาที่เป็นสมมติเลยเลยขอบเขตไปเป็นยังไงหรือเปล่าก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดนิดหนึง่งอ่เดี๋ยวหลวงพ่อขอย้อนที่มาที่ไปของขันห้านิดหนึ่งก่อนเนาะขันห่าเอ่อที่มาที่ไปของขันห้าคือขันห้าก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะ ทีนี้ถ้าแยกมาเป็นธาตุเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะส่วนรูปก็คือเป็นดินน้ำไฟลมใช่ไมแล้วก็อากาศส่วนทางนามธรรมานะอันนี้ตั้งชื่อสมมติเป็นนามธรรมานะมันก็คือเป็นวิญญาณนะเป็นวิญญาณอันนี้มีอยู่จริงนะเพราะว่าคนเราที่ก็บอกว่าประกอบด้วยหกธาตุใครก็เข้าใจได้ เพราะฉะนั้นจริงๆขันห้าเนี่ยที่มาของขันห้าคือธาตุทั้งหกนะเมื่อพิจารณาเรื่องธาตุทั้งหกปั๊บเนี่ยธาตุเนี่ยไม่ใช่ขันห้าแต่ขันห้าเนี่ยมันเป็นได้ก็ต่อเมื่อมีธาตุมาผสมกันตรงนี้เอาไว้ชัดนะอุปมาเหมือนกับวันก่อนก็อุปมาไปแล้วว่าสมมุติว่ามันมีพริกเนาะมีพริกแกงมีหอมมีกระเทียมมีกระทิมีน้ำปลามีน้ำตาลมีน้ำเนาะแล้วก็มีมะเขือมีไก่ เห็นไหมมันเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยอย่างนี้จะเป็นแกงไม่ได้เพราะมันยังไม่มาผสมกันมันก็เป็นแต่ละอย่างไปนะมะเขือก็ปลูกอยู่ตรงนู้นพริกก็อยู่ที่นี้น้ำปลาก็อยู่ที่ตรงนี้เกลือก็อยู่นี้น้ำก็อยู่ที่ตรงนี้ไก่ก็อยู่ที่ตรงนี้มันจะเป็นแกงไม่ได้แต่พอมาผสมกันนะเขาจึงสมมติเรียกว่าสิ่งนี้แกงเขียวหวานฉันใดชันนั้น ขันห้าก็คือจริงๆอ่ะที่มาที่ไปคือธาตุนะเป็นธาตุแต่พอมาผสมก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณอ่ะทีนี้พอมีวิญญาณพอเป็นกันห้าเสร็จแล้วใช่ไหมขันห้ามันก็ต้องมีรูปมีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายอ่าเห็นไหมแล้วก็กระทบกับอายตนะภายนอกรูปรกสกลิ่นเสียงโพธิภพนะเย็นร้อนหนอนแข็งพอกระทบปั๊บจึงเกิดวิญญาณขันขึ้นมาเห็นไหม วิญญาณขันเนี่ยจริงๆอ่ะมันก็จะเรียกว่าธาตรู้ไหมถ้าแยกเป็นธาตวิญญาณนักขันคือมันอยู่ในขันห้ามันก็คนละอย่างกันอ่ะทีนี้พอเราเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยว่าขันห้าจริงๆก็คือมาจากธาต์พอมาจากธาต์เสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าในตัวเราเนาะมันก็ยังมีธาต์อยู่ด้วยมีธาต์เดียวเท่านั้นที่เป็นรู้อะไรได้ก็คือธาตรู้ส่วนวิญญาณขันมันก็รู้เหมือนกันแต่ยูรู้ทางอายตนะคือเมื่อผัสสะ แต่ธาตุรู้เนี่ยมันไม่อาศัยถึงไม่มีหูไม่มีตาไม่มีผัสสะธาตุรู้ก็ยังเป็นธาตุตามธรรมชาติอยู่เช่นนั้นเป็นอนันตการเป็นเขาเรียกว่ามีอยู่ไม่รู้จบเป็นอมตะไปแต่ขันห้าแตกดับถ้าเราเข้าใจอย่างเนี้ยเราจะรู้เลยว่าในตัวเราในตัวขันห้าเนี่ยมันมีธาตุรู้อยู่เพราะฉะนั้นธาตุรู้จึงเป็นธาตุร่อมรู้อะไรได้แล้วทงนี้ที่หลวงพ่อพูดถึงว่ามารู้ตัวเราเน่ะมารู้ตัวเราเนี่ย นั่นแหละไอ้ที่มารู้ตัวเราตัวเราคือขันธ์ห้าแต่ธาตุรู้ไม่ใช่ขันธ์ห้า mm. มันจึง oh. รู้ได้พอรู้จักธาตุรู้แล้วลองดูสิว่าธาตุรู้เนี่ยมันมีทุกมีสุขอะไรได้ไหมอ่ะเออมันมีเป็นอะไรได้ไหมนอกจากความเป็นเป็นธรรมชาติที่มีแต erm ่รู้นะมันเป็นอะไรไม่ได้เป็นทุกทุกก็เป็นสิ่งถูกรู้เป็นสุขก็เป็นสิ่งถูกรู้เป็นรักโลภโกรธหลงก็เป็นสิ่งถูกรู้มันเป็นสิ่งถูกรู้ทั้งหมดแต่ธาตุรู้เนี่ยไม่อาจจะรู้ได้เพราะว่า ถ้าอะไรมารู้้าตรู้ได้แสดงว่าธาตุรู้ที่ถูกรู้เนี่ยอันนั้นไม่ใช่ธาตุรู้ธาตุรู้เนี่ยสักแต่รู้อย่างเดียวจะเป็นถูกรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวเราซึ่งเป็นขันห้าจะไปหาธาตุรู้ก็ไม่ได้แต่ธาตุรู้เนี่ยรู้ตัวเราได้อธิบายตรงนี้น่าจะเห็นภาพลองดูนะใครไม่เข้าใจเขาคุยกันดีมากเลยนะที่ประเด็นเรื่องคุยนี่มันเป็นความรู้ ไอ้ตัวธาตุรู้ตัวนี้มีลักษณะเป็นเที่ยงหรือเปล่ากับอยู่เหนือขันเลยธาตุรู้เนี่ยเป็นธาตุเป็นอมตะเป็นอมตะหมายความว่าเป็นความไม่ปรากฏเมื่อไม่ปรากฏแสดงว่าธาตุรู้จะไม่มีถ้าปรากฏก็คือเกิดใช่ไหมเออถ้าไม่ปรากฏก็คือไม่เกิดเพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยเป็นอันนี้ธาตุรู้แท้ๆเลยนะไม่ผสมอะไรเลยนะอืมอืไม่ปรากฏการเกิดไม่ปรากฏการตายไม่ปรากฏการดับอ่ะเพราะว่าสิ่งเนี้ยจริงเรียกว่าเป็น เป็นธาตุอมตะเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมเป็นสัจธรรมที่ไม่มีการปรุงแต่งซึ่งต่างจากขันห้าขันห้าก็ปรุงแต่งแต่ขันห้าอย่างที่บอกค่ะขันห้าคือส่วนประกอบมันไม่ใช่ธาตุมันไม่ใช่ใชแต่ถ้าธาตุก็คือต้องแยกมาเป็นธาตุเพียวๆแล้วก็ธาตุดินไม่อาจจะรู้อะไรได้ธาตุน้ําไม่อาจจะรู้อะไรได้ธาตุไฟก็ไม่อาจจะรู้อะไรได้ธาตุลมไม่อาจจะรู้อะไรได้อากาศจะธาตกก็ไม่อาจรู้อะไรไ ม, ไมีธาตุเดียวทีาา่เรียกว่า ที่สมมติโดยเชื่อนะว่าเออธาตเนี้ยคือเป็นธาตุรู้หรือว่าวิญญาณธาตุอ่า mm hmm. ทีนี้เมื่อเป็นอย่างเนี้ยมันทุกข์มันอยู่ที่ไหนลนะ่ะทุกข์ก็คืออยู่ในเนี้ยในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้คือทุกข์ทั้งหมดเพราะเป็นสังขารเป็นทุกข์ส่วนธาตุเนี่ยธาตุเนี่ยมันจะเป็นทุกข์ได้ไหมธาตุรู้มันไม่มีตัวไม่มีลักษณะไม่มีรูปพันสังฐานไม่มีลักษณะอาการไม่มีการปรากฏไม่มีการเกิด แล้วมันจะทุกได้ยังไงเพราะฉะนั้นความไม่ทุกเนี่ยก็คืออยู่ที่ตรงนี้แหละแต่ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้เราจะเอาขันห้าเนี่ยแล้วบางคนยึดขันห้ามาเป็นตัวตนและพยายามจะให้ตัวเราไม่ทุกขพยายามจะให้เราไม่มีทุกขันห้ามันเป็นทุกตลอดไปทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปแต่ธาตุรู้เนี่ยมันเป็นอมตะธาตุมันไม่มีวันที่จะเป็นทุกไม่มีวันที่จะเป็นสุขคือมันไม่ปรากฏว่าเป็นอะไรทั้งหมดนี่ไงคือสุดยอดของธรรมะแล้วก็มีความรู้ด้วย ถ้าเป็นเป็นเพราะเราไปติดตรงคําว่าธาตุนี้หรือเปล่าก็เล็กเราก็เลยมองว่ามันน่าจะคงอยู่สภาวะหนึ่งคืออันนี้นะมีนักตลาดท่านเด่นชื่อสังคราจอาจารย์ในสมัยก่อนหลวงพ่อครับผมผมเรียนปรัชญามาจากอินเดียนะครับแล้วท่านก็มาศึกษาคือคือเอาอย่างนี้นะโยมลองลองฟังอย่างนี้เนาะขอตอนรกนิดนึงว่าขณะที่เรากําลังพูดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ธาตุรู้เพราะว่า เป็นสิ่งที่พูดได้ขยับได้ปรากฏได้กําลังคิดอันนี้ก็ไม่ใช่ธาตุรู้อันนี้ของจริงเลยที่เป็นพิสูจน์ได้ในปัจจุบันเนี่ยที่กําลังพูดอันนี้ไม่ใช่ธาตุรู้เพราะขยับได้แล้วก็เกิดดับได้กําลังคิดก็กําืองกับว่าคิดในใจมันก็เป็นสังขารปรุงแต่งก็ขยับได้มีการเกิดได้มีการดับได้แล้วก็กายเนี่ยที่ปากขยับขยับเนี่ยมีการปรากฏแล้วก็มีการดับไปได้มีการเสื่อมสุดท้ายก็ดับหมดหูตาจมูกลิ้นกายทั้งหมดทั้งสิ้นนี้โยมดูดิ มันจริงหรือไม่จริงว่าเป็นของที่เสื่อมเป็นของถูกรู้ทั้งหมดเลยแต่ธาตุรู้เนี่ยอันนี้มันเป็นชื่อภาษาที่เรียกกันแต่ว่าในในนา้น่ะมันมีอยู่เรื่องเรียกว่าวิญญาณธาตุแต่เราไม่เข้าใจเองว่าวิญญาณธาตุคืออะไรแต่ถ้าใครเรียนเรื่องธาตุเนี่ยก็จะเข้าใจได้เลยธาตุคือคุณนะสมบัติของธรรมชาติที่เป็นเฉพาะเฉพาะธาตุนั้ น, น, น ธาตุธาตุดินจะเป็นน้ําไม่ได้ธาตุไฟจะเป็นลมไม่ได้คือมันเป็นคุณสมบัติเฉพาะเพราะนั้นธาตุรู้มันก็จะเป็นดินไม่ได้เป็นไฟไม่ได้เป็นน้ําไม่ได้เป็นเฉพาะตัวตรงนี้มันสามารถฟังเลยว่าะพิสูจน์พร้อมไปในตัวได้เลยอย่างครับแต่ว่าธาตุรู้นี่ก็คือเกิดดับใช่ไหมครับไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนนะธาตุรู้ไม่ปรากฏเป็นความไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกยังพูดได้ไม่ไม่ปรากฏแล้วมันจะไปทําให้ปรากฏเนี่ยเป็นไปได้มไหมครับ สิ่ ง, งไม่ปรากฏก็มีอยูอ่หลวงพ่ออ้างอีกนิดหนึ่งเพื่อเพื่อความเข้าใจอีกไม่ปรากฏบ่บอกว่ามีอยู่ ล, ลักษณะจะคล้ายๆกับเออัธวิวายตา เ, วเวทันต์หลวงพ่อเขาก็ลักษณะอธิบายเรื่องธาตุของจิตนี้เหมือนกันแล้วก็ไปสัมพันธ์แล้วทําให้เกิดการสร้างปรามาตามันขึ้นมากับชีวิตมันซึ่งเขาเรียกว่านอนดัวก็คือมันไม่ต่างกันระหว่างตัวรู้ตัวนี้กับธาตุที่เป็นปรามาตามันแต่นี้ข้อต่างกันก็คือ วิญญาณธาตุของพุทธศาสนาเนี่ยมันเกิดดับคือพระพุทธเจ้าเคยเตือนภิกษุสาติอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็คือว่าส า, สาติเข้าใจว่ามีวิญญาณธาตุที่เที่ยงแท้มีธาตุตัวเดิมอะที่เป็นอยู่ไหนแล้วก็ไปเกิดที่นูน่นไปนี้จนกว่าจะดับใช่ไหมทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยเรียกพระภิกษุสาติมาภิกษุเธอเข้าใจเรื่องวิญญาณในพุทธศาสนายังไงนะท่านก็ท่านก็อธิบายไปแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าท่านกล่าวตูแล้วเรานะ มันมีสิ่งไหนที่เกิดโดยไม่มีเหตุปัจจัยเน่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอาศัยรูปกระทบกับตาอย่างนี้ครับก็เกิดจากสุวิญญาณจากสุวิญญาณรับรู้อารมณ์ก็เกิดไปตามขันท่านั่นแหละรับรู้อารมณ์ถ้าเกิดว่ามันหลงมันหลงมันก็คิดว่ามีตัวตัวตนแล้วก็ไปยึดสมมติอย่างอย่างอย่างพระอาจารย์พลอยพูดแต่ทุกอย่างมันเกิดดับถ้าเราตั้งคําถามไปเกินมากกว่านั้นว่ามีท่าตัวนี้มันอาจจะทําให้เราเกิด เป็นศาสนาทิฏฐิหรือมองหาสิ่งที่ไม่มีอยู่หรือเปล่าคล้ายๆกับอรมาตมันของฌานการ า, ารรบบบรนกันบ้างพ่องั้นเอาตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวแล้วก่อนนิดนึงเอาตรงนี้ก่อนขนาดนี้ยเราไม่รู้ตัวเองเลยนะเราไม่รู้ตัวว่ากําลังคิดอยู่อันนี้ก็เป็นสังขารปรุงแต่งกําลังพูดอยู่ก็เป็นสังขารปรุงแต่งให้หยุดรู้ตัวแค่ตรงเนี้ยแล้วว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่สังขารเกิดดับแค่เนี้ยแล้วก็จะจบทุกเรื่องเลย ที่มันไม่จบเพราะเราไม่เห็นตัวเราตรงเนี้มันก็เลยลากยาวตอนเนี้ก็คือหลวงพ่อกําลังให้สติก็คือว่ากลับมากลับมารู้ตรงนี้แล้วก็จบอยู่ที่ตรงนี้หมายความว่าอย่าไปปรุงแต่งอย่าใช้สมองคิดอย่าใช้ความรู้ที่เป็นความรู้ที่เป็นปรุงแต่งให้รู้ด้วยจากการไม่คิดนี่แหละเขาเรียกว่ารู้ที่ไม่ต้องคิดรู้อันนั้นคืออะไรก็คือรู้ตัวเรารู้ตัวเราต้องคิดไหมว่าตัวเราอยู่ที่นี่ ตัวเรากำลังพูดอยู่อย่างนี้ต้องคิดไหมไม่ต้องคิดแล้วต้องถามต้องถามใครไหมว่าเรารู้ตัวหรือเปล่าก็ไม่ต้องถามใครเอาเป็นปัจจุบันขณะตอนนี้เดี๋ยวนี้อันนี้คือทางมันที่เราคุยเมื่อกี้เนี่ยมันนอกทางยิ่งคุยยิ่งยาวยิ่งคุยยิ่งยาวแล้วก็ยิ่งหลงเพราะฉะนั้นกลับเข้ามาในทางคือรู้สึกตัวในปัจจุบันรู้ตัวเองแล้วก็เข้าใจอย่างปัญญายางแจ่มแจ้งว่าตัวเองเนจริงๆคือขันทั้งห้านะครับนี่แหละ แล้วรู้รู้รู้ตัวคือรู้เกิดดับใช่ไหมครับเช่นผมเห็นได้ยินเสียงเลยนะี่ยก็คือไม่ไม่ต้องถามเลยว่ารู้เกิดดับเพราะถ้ารู้เกิดดับตัวเราก็จะไปพูดไปปรุงว่าเกิดว่าดับแต่ธรรมชาติที่ไม่พูดนะที่ไม่ปรุงแต่งนะมีอยู่ในลักมันมีอยู่ว่าธรรมชาติที่ไม่เกิดที่ไม่ปรากฏมีอยู่อันนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เกิดก็คือคําพูดไงที่กำลังเกิดเป็นที่ปรากฏ เพราะฉะนั้นให้เห็นอยู่เฉพาะหน้าว่าอ๋อขณะปัจจุบันนี้มีสิ่งเกิดสิ่งดับแต่ธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับก็มีอยู่ซึ่งธรรมชาติอันนี้ก็สามารถรู้การเกิดดับได้รู้การเกิดดับได้ธรรมชาติอันนี้มองไม่เห็นไม่ปรากฏตัวถ้าปรากฏตัวสิ่งนั้นต้องเกิดและก็ต้องดับเพราะฉนั้นธรรมชาติรู้เนี่ยมันไม่ปรากฏตัวแน่นอนถ้าปรากฏตัวสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นต้องดับแต่สิ่งใดไม่ปรากฏสิ่งนั้นไม่เกิดและสิ่งนั้นไม่ดับ ไอ้ความไม่เกิดไม่ดับนี่แหละเป็นสัจธรรมแท้ส่วนการเกิดดับเป็นสัจธรรมแต่ก็เป็นสัจธรรมปรุงแต่งถ้าพูดง่ายๆก็คือยังเป็นสัจธรรมที่ไม่ใช่แท้จริงยังปลอมๆไอ้นี่พาะจ่าเติมเติมมาเองอะนะอ่าทำไมทําไมเราต้องไปรู้สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นธรรมชาติรู้นะครับเรารู้ว่าจริงทุกอมนิตาอย่างนี้เพื่อรักกิเลสอย่างนี้จะ ธรรมาชาติเกิดดับคือจริงๆอ่ะสัจธรรมเนี่ยความจริงแท้ของธรรมชาติเนี่ยมี2 อ, อประเภทคือสังขารกับวิสังขารสังขารคือเกิดดับวิสังขารไม่เกิดไม่ดับนี่พระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักแต่สิ่งเกิดดับนะมันก็จะไม่ครบคื อ, อยังไม่พบเห็นยังไม่เข้าใจเรื่องความไม่เกิดไม่ดับอย่างพระโสดาบันเนี่ยแค่รู้จักว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เขาเรียกว่าเห็นเกิดดับ ได้แค่โสดาบันแต่พระอราหันเนี่ยเข้าใจถึงความไม่เกิดไม่ดับนั่นคือระดับปัญญามันไม่เท่ากันเพราะนั้นเนี่ยความไม่เกิดไม่ดับก็มีอยู่จริง